จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรุรสัทวอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่16มิถุนายนพุทธศักราช5 5งเป็นวันพระเป็นวันธรรมะสวรรคเป็นวันฟังธรรม เป็นวันทำกิจของพุทธศาสนิกชนที่พระบรมศ า, า, าสดาได้ทรงมอบไว้ให้ก่อนที่จะท่งจากไปในวาระสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ได้สงจดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจงยังประโยชน์ของตน และของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอนะเพราะความประมาทจะทำให้เราไม่ขวนขวายไม่รีบร้อนไม่รีบทำในกิจที่เราจะพึงกระทำกันการไม่ประมานี้ก็หมายถึงให้พิจารณามรณามุสสติอยู่อย่างสม่งเสมอนั่นเอง ดังที่เคยได้ทรงถามพระอานุน ว, ว่าว่าวันหนึ่งได้พิจารณาโรณานุสติคือได้พิจารณาความตายสักกี่ครั้งพระอนุนทรงกราบทูลว่าก็เช้าครั้งกลางวัน ค, งงนครั้งเย็นครั้งก่อนนอนครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัว่าอานนุ์เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่อยากจะประมาท เธอต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเวลาใดที่เธอไม่ได้พิจารณาความตายเธอก็จะเผลอจะไม่คิดว่าจะต้องตายแล้วก็จะไปทํากิจที่ไม่พึงกระทําคือไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและแก่ผู้อื่นเนื่องจากใจของปุตุชนทั้งหลายนะั้นมีกิเลสตัณหา ความโลภความหลงฝังอยู่ในใจจะให้คิดทำแต่ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์กับกิเลสตัณหาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นประโยชน์กับใจของตนแต่เป็นยาพิษเป็นโทษกับใจของตนเพราะทุกครั้งที่เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะร้อนรนขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่าย ไม่มีความสุขดัง น, นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญณานุสติอย่างสม่าเสมอมันไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรเลยให้คิดคำว่าตายไปเรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสิ่งยากเย็นอะไรเหมือนกับความคิดของกิเลสอยากรวยนี่คิดได้ทั้งวันอยาก อยากเป็นนายกอยากเป็นสอสออยากจะเป็นรัฐมนตรีนี้เห็น <_ d ata> คิดอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ทำไมไม่คิดคำว่าเกิดมาแล้วต้องตายบ้างเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะเป็นประโยชน์จะทําให้ใคลายความหลงจะคิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกาย สิ่งอื่นๆที่หามาได้ไม่ว่าจะเป็นเงินกองเท่าภูเขาตำแหน่งสูงๆต่างๆการรับสรรเสริญเยินยอหรือความสุขที่ได้จากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑะชนิดต่างๆนั้นไม่สามารถเอาติดไปในเวลาที่ร่างกายตายไปได้เอาไปได้ก็คือบุญและบาปเท่านั้นเอง ถ้าเอาบุญไปก็ไปเกิดในสุขติไปมีไปรับความสุขถ้าเอาบาปไปก็ไปเกิดในอบายไปรับความทุกข์ถ้าทาตามความอยากต่างๆก็จะทำบาปควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเวลาอยากจะได้อะไรมากๆนั้นจะไม่คำนึงถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษ อยากขอให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้มาเมือ่อเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำบาปทำบาปแล้วไม่ช้าก็เร็วเวลาตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายใช้กรรมในนรกไปเป็นเปรกบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างตามกําลังของบาปที่ได้ทำไว้แต่ถ้าได้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆก็จะรู้ว่า เงินทองกองท่าภูเขานี้ไม่มีประโยชน์กับใจเลยตำแหน่งต่างๆที่ที่อยากได้นี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใจเลยสู้ทำบุญไม่ได้ทาบุญแล้วตายไปได้ไปสวรรค์ได้ไปเกิดเป็นเทพได้ไปเกิดเป็นพรหมได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้านี่คือประโยชน์ที่จะได้รับ จากการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะขอให้คิดว่าชีวิตของเรานี้มันจะดับเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาแล้วทุกคนมีความตายรออยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครบางคนอยู่ได้ไม่นานก็ไปบางคนเกิดมา ได้วันเดียวก็ตายบางคนก็เจวันบางคนก็เดือนหนึ่งบางคนก็ปีหนึ่งบางคนก็สิบปีบางคนก็20ปี30ปี40ปีจนกระทั่งถึงร0 0ปีแต่ไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ถ้าไม่รีบตักตวงใช้เวลาของชีวิตเพื่อตักตวงบุญกุศล เวลาตายไปก็จะเสียใจจะไม่ได้รับความสุขจะไม่ได้ไปสู่สุคติจะไม่ได้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่จะต้องไปแบบทุกข์ทรมานไปใช้กรรมใช้เวงในนรกในปไปเกิดเป็นเปลญไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ถ้าเราลำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้รู้ว่าเราไม่รู้ว่าพวกนี้เราจะอยู่หรือไม่ไม่มีใครรับประกันได้แม้กระทั่งบริษัทรับประกันชีวิตเขาก็รับประกันไม่ได้เขารับประกันได้ก็คือเงินทองที่จะมอบให้แก่คนที่เรารักที่ยังไม่ตายตามเราไปเท่านั้นแต่เขาไม่สามารถรับประกันได้ว่า เราจะอยู่ไปถึงเมื่อไหรถ้ารับประกันได้ก็ดีเพราะเขาก็อยากจะให้เราอยู่ไปนานๆนนเพราะถ้าเราตายเมื่อไร่เขาก็ต้องเสียเงินทันทีแต่เขาไม่สามารถที่จะรับประกันได้ไม่มีใครรับประกันได้เพราะเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าไม่เที่ยงมีเกิดย่อมมีดับจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครไป สามารถควบคุมบังคับได้ดังนั้นจึงอย่าอย่าปล่อยให้เวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะได้ตักตวงประโยชน์สุขให้แก่จิตใจจนถึงประโยชน์สุขขั้นสูงสุดได้เนื่องจากชาตินี้ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะไม่สามารถตักตวงประโยชน์สุขที่สูงสุดคือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าไปเกิดเจอศาสนาคำสอนอื่นอย่างมากก็จะไปได้เพียงสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นและเป็นสวรรค์ที่ไม่เที่ยงคือจะเสื่อมลงไปต่อไปไปเกิดชั้นพรหมแล้ว มต่อไปอบุญที่ได้จากการไปเกิดชั้นพรหมนี้ก็จะเสื่อมเหมือนกับน้ํามันรถที่เราเติมถ้าขับรถวิ่งไปไเรื่อยเดี๋ยวน้ํามันก็หมดพอน้ํามันหมดรถก็ต้องจอดเช่นเดียวกับบุญพอบุญชั้นพรหมหมดไปก็จะเลื่อนลงมาสู่บุญชั้นเทพจากบุญชั้นเทพก็จะเลื่อนลงมา สู่บุญชั้นมนุษย์แล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกกับเรื่องราวต่างๆอย่างที่เรากําลังเป็นกันอยู่ในวันนี้แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาท่านจะสอนให้เราไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมท่านจะสอนให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานคือจะไม่ต้องจะไม่มีการเสือ่อม ถ้าถึงสวรรค์ชั้นนิพานนี้แล้วจะไม่มีการเสือ่อมหรือสวรรค์ชั้นแรกของพระอริยเจ้าก็ไม่เสือ่อมเช่นชั้นโสดาบันพอได้ไปถึงชั้นโสดาบันแล้วใจก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์อีกใจจะมีแต่ขยับขึ้นไปสู่ชั้นที่สองชั้นที่สาแล้วจนถึงชั้นที่สพอถึงชั้นที่สี่แล้วก็จะถึง ฉั้นพนิพพานเมื่อถึงแล้วก็ถือว่าจบแล้วนานต่างๆไม่ต้องทำอีกต่อไปเพราะไม่มีการจะต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกต่อไปไม่ต้องไปรับกับความทุกข์ต่างๆอีกต่อไปทุกวันนี้ที่พวกเราต้องทำงานทำการทำอะไรต่างๆกันก็เพื่อหนีความทุกข์ทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่ออะไรเลย ทำงานนี้ก็เพื่อที่จะหนีความทุกข์จากการอดยาขาดแคลนถ้าไม่มีกำลังทรับที่จะไปซื well, ้ออาหารก็จะต้องทุกข์กับการอดอาหารอดยาขาดแคลนถ้าไม่มีทรับไปซื้อเสื้อผ้าก็จะทุกขกับการไม่มีเสื้อผ้าไว้ใส่ถ้าไม่มีบ้านไม่มีเงินไปซื้อบ้านก็จะทุกข์กับการไม่มีบ้านอยู่ ถ้าไม่มีเงินไปซื้อยา<ม>ก็จะต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจึงต้องทำงานกันทำกันแบบแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วถ้าเรามีเวลาว่าง<ม>เราก็ต้องหนีความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขความสุขด้วยวิธีต่างๆไปซื้อข้าวของคุ่มฟรวยต่างๆที่ไม่จำเป็นไปดูหนังฟังเพลง ไปหาเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาดื่มไปหาขนมชนิดต่างๆมารับประทานทั้งหมดนี้เกิดจากความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าอยู่เฉยๆแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจมันรู้สึกว่าขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มารับประทานมาดื่มต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดูมาฟัง นี่คือธรรมชาติของใจที่เกิดจากการไปเลี้ยงดูหรือไปทำตามความโลภตามความอยากต่างๆนั่นเองเมื่อทำแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปทำแล้วก็จะหยุดไม่ได้เคยทำอะไรพอถึงเวลานั้นก็อยากจะทำอีกเคยดื่มอะไรพอถึงเวลานั้นก็ต้องดื่มอีก ตื่เช้าขึ้นมาเคยดื่มกาแฟก็ต้องดื่มกาแฟตอนเย็นเคยดื่มสุราก็ต้องดื่มสุราตอนค่ําต้องดูหนังฟังเพลงก็ต้องออกไปดูหนังฟังเพลงทําอย่างนี้ไปตามนิสัยยิ่งทําไปยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นสันดานไปจะเลิกยากขึ้นไปตามลําดับสิ่งต่างๆที่เราทํานี้ ถ้าเริ่มต้นใหม่ๆจะเริ่มง่ายกว่าถ้าได้ทํามานานแล้วพอทํานานแล้วมันก็จะเริ่กยากนี่เป็นธรรมชาติของความโลภของความอยากต่างๆแล้วผลที่ได้จากการทําตามความโลภความอยากก็คือต้องเล่นนนทมาหาเินหาเงินหาทองมาบํารุงบําเลอกับความสับต่างๆ ที่อยากจะได้จากการไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิด ต, ต่างๆนี่คือดวงจิตดวงใจของปุถุชนทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามาภพนี้ด้วยอํานาจของกามตันหาความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดยอํานาจของภาวะ ต, ตันหาความอยากมีอยากเป็น ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากจะมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากมายก่กองยึงทำให้ใจนี้ไม่สามารถอยู่เป็นสุขได้อยู่เฉยๆไปได้เวลาอยู่เฉยๆแล้วกลับเกิดความรู้สึกว่าเวรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาซึ่งเป็นผลที่เกิดจาก กิเลสทันหะแสดงออกมาเพื่อที่จะผลักหรือเพื่อที่จะหลอกให้ใจต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาราบยศสรรเสริมเป็นอย่างนี้ลองสังเกตดูชีวิตของเราเป็นอย่างที่พูดนี้หรือไม่อยู่เฉยเฉยได้ไหมวันนี้จะขอนั่งอยู่พอบ้านเฉยเฉยไม่ทําอะไรไม่ดูไม่ฟังอะไรนอกจาก รับประทานอาหารกับดื่มน้ำเท่านั้นที่เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายร่างกายอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องรับประทานอาหารสักนื้อหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำตามตา ม, ตามเวลาตามความต้องการนอกจากนั้นแล้วไม่ต้องทาอะไรให้กับร่างกายร่างกายเขาอยู่ได้สนใจนี่เราอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ไหม เช่นวันนี้เรากินข้าวแล้วดื่มน้ำแล้วเราก็จะนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ที่ไหนสักตัวหนึ่งหาเก้าอี้สบายสบายนั่งไปไม่ต้องลุกไม่ต้องไปไหนยกเว้นจากการที่จะต้องเดินเข้าห้องน้ำเท่านั้นเอาน้ำขวดน้ำมาตั้งไว้กลางๆเก้าอี้แล้วนั่งให้สบายไม่ต้องทำอะไรแสนจะสบายทำไมทำกันไม่ได้ พอใจถูกเจ้านายใจยังเป็นทาตมีเจ้านายก็คือกิเลสตัณหานี่เองที่คอยจะสร้างอารมณ์หงุดหงิดเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าวุ่นขุ่นมัวเบื่อนายให้เกิดขึ้นในขณะที่นั่งเฉยๆอยู่นั้นทั้งๆ ท, ที่การนั่งเฉยๆนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะสบายยิ่งกว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทาอะไร ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องหาเงินไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปต่อสู้ไปแก่งแย่งชิงดีกับใครไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปฆ่าใครทําไมททำกันไม่ได้ของอย่างนี้มันง่ายจะตายไปนั่งอยู่เฉยๆเท่านั้นเองถ้าทำได้แล้วชีวิตนี้ก็จะมีแต่ความสุขไปไม่มีวันสิ้นสุด แต่ทำกันไม่ได้เพราะไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยติดไม่เคยมีนิสัยที่จะนั่งอยู่เฉยๆไม่เคยมีนิสัยอยู่เป็นสุขมีแต่นิสัยอยู่แบบเป็นทุกข์อยู่แล้วต้องหากรองทุกข์มาใส่ตัวเองถึงจะถึงจะรู้สึกสบายอยู่เฉยๆอยู่ไม่มีความสุขต้องไปดิ้น้นต้องไปทำงานแทบเป็นแทบตาย พอได้เงินมาก็อยู่เฉยๆไ่ได้ก็ต้องเอาเงินนี้ไปใช้ใช้ให้มันหมดหมดแล้วถึงจะรู้สึกสบายแล้วก็ต้องออกไปหาเงินใหม่เพื่อที่จะมาใช้อีกนี่คือชีวิตจิตใจที่อยู่ภายใต้อนานาจของกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกของมนุษย์ที่เห็นปัญหานี้ ยังทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ลุกจะนั่งจนกว่าจะหายอยากทรงนั่งอยู่ใต้ต้นโพจนไม่มีความอยากลงเหลืออยู่นั่นแหละหลังจากนั้นแล้วก็สบายไม่ต้องไปไหนอีกแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วไม่มีใครต้องมาสั่งให้ไปทำนั่นทานี่ให้ไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาเพราะ ผู้ที่เป็นเจ้านายที่อยู่ในหัวใจนี้ถูกทำลายหมดไปแล้วงานจึงหมดหลังจากที่ทรงเสร็จงานนี้พระ อ, องค์ทรงตรัสว่าผู้สิตธัง ร, รมจารียังกิจในพรหมจรรย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปนี่แหละคือกิจที่แท้จริงกิจที่มีวันสิ้นสุดกิจที่มีวันหมด ไม่เหมือนกับกิจที่พวกเราทำกันอยู่กิจที่ทำตามอานาจของกิเลสตัณหาจะไม่มีวันหยุดจะถึงจะทำไปถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามก็ยังอยากจะทำอยู่จะหยุดทำก็ต่อเมื่อทำไม่ได้ไม่มีแรงที่จะทำเช่นนอนกระเดากระเดาอยู่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นถ้ายังทำได้ก็ยังอาจจะใช้โทรศัพท์สั่งงานสั่งการต่ออีก ถ้ายังทำได้ถ้าปากยังพูดได้ยังติดต่อทางโทรศัพท์ได้ก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องทำาดี๋ยต้องโทรศัพท์ไปสั่งงานสั่งการโทรไปติดตามข่าวา ว, ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วนี่คือเรื่องของกิเลสที่มันจะคอยผลักดันจิตใจของเราให้ต้องทำอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วทำมาจนถึงทุกวันนี้แล้ว เป็นอย่างไรพอหรื อ, อยังอิ่มหรื อ, อยังมีความสุขหรื อ, อยังไม่หิวหรื อ, อยังไม่อยากหรื อ, อยังไม่โลภหรือยังไม่โกรธหรือยังไม่มีหรอกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดตายไปจากชาตินี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะมาทาต่อ ทำอย่างนี้ไปแล้วก็มาบน่นมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจมาวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆห่วงคนนั้นห่วงคนนี้กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้เศร้าโศกเสียใจกับคนนั้นกับคนนี้นี่ก็คือเป็นผลที่เกิดจากการไม่เจริญมรณานุสติไม่เชื่อฟังพระปัจฉิมโมวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสให จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะว่าศาสนาพุทนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นกับใช้เวัดคาว่ากับกับนี้เป็นเวลาที่เราไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขที่เรารู้อยู่เช่นเรารู้ถึงล้านหรือล้านล้าน แต่กับนี้มันยาวกั่าล้านล้านหลายล้านเท่าด้วยกันนานๆหลายล้านล้านเท่านีจึงจะมีศาสนาล้านล้านปีเนี่ยถึงจะมีศาสนาพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกเพื่อที่จะนำพาสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้อยู่อย่างเป็นสุข นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งและการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เช่นเดียวกันทรงตรัสว่าไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ่อยเพราะจะต้องไปใช้บุญไปรับบุญหรือไปใช้กรรมหลายปีด้วยกันกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่ไม่แน่ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือเปล่า ถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาทำได้อย่างมากก็ทำบุญไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมคือให้ทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเท่านั้นแต่จะไม่มีใครมาสอนเรื่องวิปัสสนา เรื่องปัญญาเรื่องไตรักเรื่องอะรริยสัจสีที่จะเป็นธรรมะที่จะถอนรากถอนโคนกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่ฝังอยู่ในใจได้ต้องมีอริยสัจสีมีไตรักษอนิจจทุกขังอนัตตานี้เท่านั้นซึ่งจะมีได้ในในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ศาสนาอื่นจะไม่มีอริยสัจ ส, สีจะไม่มีไตรลักษณ์เพราะผู้เป็นศาสดาของศาสนาอื่นนั้นไม่มีปัญญาความสามารถพอที่จะเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นไตรลักษณ์นี้เองต้องเป็นพระอารหันตสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าหรือพระปเจกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่จะต้องเป็นพระอารหันตสัมมาสัม พ, พุทธเจ้า เท่านั้นที่จะประกาศพระศาสนาได้ถ้าเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็จะเห็นเฉพาะตนเองจะไม่มีความสามารถที่จะนำเอามาประกาศสอนให้แก่ผู้อื่นได้ดังนั้นแม้จะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาบางครั้งก็จะเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาต้องมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระองค์ที่พวกเรากราบไหว้บูชาอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นที่จะประกาศพระธรรมคำสอนที่จะสร้างพระรัตนตรัยให้ให้สัตวโลกเป็นที่พึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว พระ อ, องค์ยังมีพระสังฆัตนะมีพระธรรมรัตนะเป็นองค์แทนพระ อ, องค์ต่อไปถ้าเป็นพระประเจกการพระพุทธเจ้าพอท่านจากไปแล้วก็จบไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ขณะที่อยู่ท่านก็ไม่ได้ประกาศสอนพระธรรมอันเลิศอันวิเศษคือพระอริยสัจสี่และใตรักอนิจจังทุกขังอนัตตา จังนั้นจึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนะอย่างเหลือร้นสําหรับพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในคราวนี้แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเราก็จะสามารถจเจริญลอยตามพระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านทั้งหลาย ได้ไปถึงได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีถนนแล้วมีทางแล้วสมัยที่พระพุทธเจ้านี้ไม่มีถนนเป็นป่าใหญ่ลำบากต่อการเดินทางแต่สมัยนี้พระพุทธเจ้าทรงสร้างทางด่วนให้กับเราแล้วทางด่วนที่จะพาให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากัน อยู่ที่เราที่จะต้องเดินไปหรือขับรถไปเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำบุญละบาให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปถึงอย่างแน่นอน ทำบุญก็คือให้ทานอย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้ให้ข้าวให้ของให้ปัจจัยเงินทองต่างๆละบาปก็คือการรักษาศีลศีลห้าศีล 8, ศีลสีิบเเป็ น, 5, น, 8, น 7, ต้นแล้วก็ชำระใจให้สะอาดด้วยการภาวนาสมถะภาวนาและนิปัฒนาภาวนาเบื้องต้นต้องสมถะก่อนต้องทำจิตให้สงบก่อน พอเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะใสเหมือนกับน้ำที่นิ่งน้ำนิ่งแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำเห็นตัวปลาเห็นอะไรต่างๆใจก็เช่นเดียวกันใจต้องสงบก่อนพอใจสงบแล้วก็จะนิ่งจะใสเหมือนน้ำแล้วก็จะเห็นอริยสัจสี่ <c oughs> เห็นไตรลักษณ์ที่มีอยู่ในใจนั่นแหละตอนนี้มองไม่เห็น ไม่เห็นใจรักไม่เห็นอริยสาศาศัจสีพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราสร้างขึ้นมาด้วยการเจริญมรณานุสติการเจริญมรณานุสตินี้จะเป็นการเป็นจะเป็นทั้งสมถะวิปัสและวิปัสนาภาวนาการเจริญมรณานุสติในเรื่อยๆจะทําให้ใจสงบเยน็นสบาย และพอใจสงบเย็นสบายก็จะใสพอใสแล้วพอพิจารณาโมณานุสติก็จะเห็นไตรักที่มีอยู่ในนั้นจะเห็นไตรักที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นอริยสัจส์่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเวลาที่ไปยึดไปติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทั้งหลายนั่นเองเช่นไปติดกับร่างกายก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ของเราเราก็ทุกของคนอื่นเราก็ทุกไปติดกับภรรยาติดกับสามีก็จะทุกข์กับความตายของสามีของภรรยาไปติดกับพ่อกับแม่ก็จะต้องทุกข์กับความตายของพ่อของแม่ติดกับลูกก็จะต้องทุกข์กับความตายของลูกที่จะต้องตามมาที mm ่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือ การภาวนาสมถะและวิปัสสนาพอเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการประยึดไปติดก็รู้ว่าต้องปล่อยวางถ้าไม่อยากจะทุกข์พรเพราะว่าร่างกายที่เราไม่ไปยึดไปติดเวลาเขาตายไปเราไม่ทุกข์เลยใช่ไหมคนที่เขาเราไม่รู้จักคนที่เราอ่านในข่าวหนังสือพิมพ์ทุกวันคนนั้นตายคนนี้ตายเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยเพราะอะไร เพราะเราไม่ไปยึดติดกับเขานี่คือประโยชน์จากการไม่ยึดติดถ้าไม่ยึดติดแล้วก็จะไม่ทุกข์ถ้ายึดติดปั๊บจะทุกข์ทันทีแม้แต่ไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นข้าวของก็ยังทุกข์เลยนาฬิกานี้หายไปก็ยังทุกข์เลยรถเสียก็ยังทุกข์เลยข้าวของเงินทองถูกขโมยลักไปก็ยังทุกข์เลยเพราะว่าเราไปยึดติดนั่นเอง แต่ถ้าเราไม่ยึดติดนาฬิกาของคนอื่นหายไปเราไม่เดือดร้อนรถ ข, ของคนอื่นหายไปเราไม่เดือดร้อนบ้านของคนอื่นถูกขโมยเราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ยึดติดปัญหาอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือตัวยึดติดนี่เองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปยึดติดไปยึดติดทาไมในเมื่อสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งมันไปหมดอยู่ดีอยู่กับมันไปตลอดได้ที่ไหน พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปแล้วไปตัวเปล่าๆแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ถ้ายึดติดก็ไปอย่างทุกทรมานใจถ้าไม่ยึดติดก็ไปอย่างสุขอย่างสบายใจถ้าไปอย่างสุขสบายก็ไปสู่สุขคติไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าไปอย่างทุกทรมานใจก็ไปสู่อบายนี่แหละคือเรื่องของใจของเราเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรา อย่าประมาทให้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้รีบทําประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราคือทําบุญรักษาศีลและภาวนานี้เองพอเราได้ทําแล้วเราก็จะปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการ ปฏิบัติตามพระปัิชิมโมวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดและดับไปเป็นธรรมดาจงประโยชน์จนยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจ <c oughs> ึงขอฝากเรื่องพระปัิชิมโมวาสนี้ให้ศรัทธาญาติโยมได้นํเอาไปพินิจพิจารณา เพื่อประโยชน์ของตนและผู้อื่นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ขอกุศลถึงบุญที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนกะสุขพะพลา โดยทั ồi, ่วหน้ากันเธอ